รู้จักคำว่าพอและไม่เบียดเบียนผู้อื่นพยายามพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความชำนาญมีความสุขและความพอใจกับชีวิตที่พอเพียงยึดเส้นทางสายกลางในการดำรงชีวิตระดับชุมชน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 มีอยู่อย่างพอดีไม่มีความทุกข์ร้อนในใจสุขริ้งเธอในชีวิตคนจะคนเจอได้ไม่ไกลอยู่ในใจของคมรูจับเพียงพอแค่มีคำว่าพอก็สุข เกินใคร